ครับนวันส ก, การท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่หลวงพ่อออดไเมตตาเกื้อกูลนั้นก็ลองไปทดลองกับนักเรียนดูลักษณะว่าเออเขาจะเข้าใจไหมคําว่าเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็พบว่าการสื่อสารโดยเฉพาะการที่มีองค์อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าชี้ให้เขาดูเนี่ยครับเด็กประมาณยี่สิบห้าคนเนี่ยครับพบว่า บางทีเรามีการบรรยายการเขียนก า, การวาดรูปกันอะไรให้เขาเห็นนะครับมันก็ถ้าเราบอกว่าเออในโลกนี้นะครับมีแต่สิ่งที่ถูกรู้แต่ผู้เห็นไม่มีจบครับถ้าไม่มีการพูดขยายความนะครับไม่เข้าใจเลยสักคนหนึ่ง <c oughs> มันเหมือนกับว่าพูดง่ายอะครับแต่ว่าถ้าครูไม่เมตตาหรือว่าครูไม่ขยายความเพิ่มหรือ ครูไม่แสดงต่อนะครับไม่มีใครรู้เลยครับว่าในโลกนี้มีสิ่งที่ถูกรู้แต่ผู้เห็นไม่มีดังนั้นวันนี้คุณครูจะมาเกลือกูนโดยเฉพาะสิ่งที่จะโชว์ให้เห็นนะครับตอนนี้ให้นักเรียนดูสิ่งที่กําลังมีอยู่ขั้นตอหน้านักเรียนพอดูก็ต้องให้อธิบายเพิ่มเติมว่าขณะที่เห็นนะครับใครเห็นเขาก็บอกว่าตัวเขาเห็นนักเรียนเห็นทุกคนก็รู้ว่าตัวเองเห็นหมดทุกคนแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเช่นขวดน้ําอยู่หน้านักเรียนเนี่ย ขวดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไหมนักเรียนก็โอ่ยยักหน้าว่าเป็นสิ่งที่ถูกเห็นแต่พอจะถามว่าแล้วตัวที่เห็นเนี่ยที่เป็นเราเห็นเนี่ยครับมันเป็นเราเห็นแล้วมันไม่ตรงกับที่ครูเขียนว่าเออในโลกนี้มีสิ่งที่ถูกเห็นผู้เห็นไม่มีแล้วนักเรียนว่าครูันที่นำคำนี้มันเป็นคำจริงไหมหรือว่าเป็นคำที่ว่าล้อเล่นหรือว่าเป็นคำที่ไม่จริงนักเรียนก็ว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่ ที่ลึกซึ้งนะครับแต่ก็นักเรียนก็ไม่รู้ดังนั้นก็ต้องถามนักเรียนอีกว่าเออถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยลองคิดดูนะออต้องอธิบายยาวมากเลยครับแล้วก็ต้องอธิบายว่าเอาถ้าอย่างนั้นนักเรียนคนที่หนึ่งกับนักเรียนคนที่สองนักเรียนคนที่สองที่ดูอยู่เนี่ยดูนักเรียนคนที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนคนที่สองเป็นนักเรียนคนที่หนึ่งไหมนักเรียนคนที่สองก็คิดคิดก็คนละคนกันครู พอพูดว่าคนละคนกันเออนี่มันไม่เหมือนกันนะคนที่หนึ่งกับคนที่สองคนละคนกันอันนี้ก็เข้าใจอยู่ถึงไม่บวกก็รู้แต่นักเรียนรู้ไหมว่าขณะที่นักเรียนเห็นคนที่หนึ่งนั้นคนที่หนึ่งเป็นสิ่งที่คนที่สองเห็นคนที่หนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเห็นอันนี้ก็เออพอจะฟังฟังแล้วพอจะตามได้เก็ตได้แต่เมื่อวันหนึ่งตัวนักเรียนเนี่ยที่ดูเพื่อนอยู่เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยวันนี้ ขณะนี้ บ, บัดนี้ที่เรากลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นแล้วจะเป็นเราอีกไหมงงเลยคราวนี้ในยี่บห้าคนงงกันไก่ตาแตกก็คือว่าไม่มีใครตอบได้สักคนนึงเลยว่าเออไอเราที่เห็นเห็นนี้เป็นถูกเห็นยังไงอะสงลังเลสงสัยแล้วก็ตอบไม่ถูกนี่คือถ้าถ้าท่านอาจารย์ไม่เมตตาหรือว่าเออถ้าไม่มีกุศโลบายของกเรนามิตรไม่มีผู้มีประสบการณ์มาเล่า ไม่มีสามารถอธิบายต่อได้เลยอครับมันจนจนแต้มเลยจนจนด้วยเสียงก้าวจริงๆว่าเออแล้วเรามาถูกเห็นเนี่ยได้ยังไงดังนั้นก็เอาอย่างนี้นักเรียนมันอธิบายยากจริงคราวนี้นักเรียนดูอะไรสักอย่างนึงนะดูขวดน้ำเหมือนเดิมก็ได้แต่ขนาดนียนะนักเรียนก็นักเรียนดูนะแล้วก็นักเรียนเห็นไหมขวดน้ําเห็นขวดน้ําค่ะถึงคราวนี้นักเรียนนั้นตอนนี้นักเรียนไม่ต้องมองก็ได้ขวดน้ำมันแต่นักเรียนนั้น หลับตาก็ได้หรือลืมตาก็ได้ให้นักเรียนนั้นกำมือแบมือแล้วก็ไถ่หลังไปแล้วกำมือแบมือตอนนี้นักเรีย น, น change, ทำอะไรอยู่นักเรียนก็บอกว่าเออตอนนี้กำลังแบมือกำมือรู้ตัวอยู่นักเรียนรู้ไหมว่านักเรียนกำลังทำอะไรรู้ค่ะกำลังกำมือแบมือเอานักเรียนคราวนี้นักเรียนลองลองเอาลองเอาใหม่นะนักเรียนมองขวดน้ำไปด้วยแล้วก็นักเรียนก็กำมือแบมือพร้อมประกอบไปด้วยสองอย่างพร้อมกันสิ คราวนี้นักเรียนเห็นไหมขวดน้ําเห็นค่ะนักเรียนรู้ตัวไหมนักเรียนกําลังกํามือแบมือรู้ค่ะและนักเรียนเห็นทั้งสองอย่างไหมเห็นทั้งสองอย่างค่ะเห็นทั้งดูขวดน้ําแล้วก็เห็นกําลังแบมือแบกําลังกํามือแบมือไพร่หลังค่ะแสดงว่านักเรียนไหมมีสองเห็นแล้วแหละครับนักเรียนเพราะตอนแรกนักเรียนเห็นขวดน้ําอย่างเดียวตอนนี้นักเรียนเห็นขวดน้ําด้วยนักเรียนนักเรียนนักเรียนเห็นตัวเองด้วยที่กําลังมือกําลังกํามือแบมือใช่ค่ะ แล้วก็บอกว่าเออนี่แหละนักเรียนมันเริ่มมีการแตกต่างจากครั้งแรกแบบที่หนึ่งแบบที่สองมีนักเรียนเห็นกดน้ําด้วยนะะอันที่สองการที่นักเรียนกําลังแบมือแบมือกํามืออยู่ข้างหลังเนี่ยนักเรียนเห็นตัวเองด้วยนักเรียนก็นักเรียนก็เริ่มเริ่มเริ่มงงงงเลยถามนักเรียนว่าแล้วใครมารู้ที่นักเรียนกํามือแบมือนี้ล่ะนักเรียนตอบไม่ได้เลยครับ ผมก็ต้องเกือกูลว่าลักษณะนี้แหละเป็นธรรมชาติรู้หรือว่าเออถ้ารู้หรือเรียกอะไรก็ได้แต่มันมีสภาพรู้อยู่คราวนี้นักเรียนนักเรียนก็ถามนักเรียนต่อไปอีกว่าเออลักษณะถ้ารู้แบบนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันบ่อยไหมนักเรียนก็บอกว่าไม่บ่อยค่ะมันถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ไม่สังเกตไม่ไม่เหมือนกับไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมามองตัวเองหรือระลึกตรงนี้มันจะนึก ไม่ออกเลยค่ะมันมันมันอยู่กับการมองในสิ่งนอกตัวไปหมดเลยค่ะและนี้หละครับมันเป็นสิ่งที่ตัวเราถูกรู้คราวนี้นักเรียนก็คล้อยตามเลยว่าเออเราถูกรู้กับกับเรารู้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ก็ถามนักเรียนว่าไอเราถูกรู้นี่มีเราอีกไหมคราวนี้นักเรียนงงไปใหญ่อีกว่าไอเราถูกรู้มีเราไหมคําถามนี้ครูแปลกแปล ก, ปลกแล้วก็เออทั้งหมดยี่สิบห้าคนมีคนเดียวตอบว่าไม่เหมือนกันค่ะ ทำไมไม่เหมือนกันค่ะนักเรียนเพราะไอเราเนี้ยมันถูกรู้เสียจแล้วมันจะเป็นเรารู้มันคนละอย่างบางคนบอกว่าเขียนไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราถูกรู้ก็เหมือนกับว่าเรานั้นเปียกเหมือนขวดน้ําไปซะแล้วแล้วก็ไอถูกรู้นั้นมันเหมือนกับเรากลายเป็นขวดน้ําซะแล้วไม่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเราตอนแรกค่ะตอนแรกเราเข้าไปดูว่าเรายังเป็นเราดูแต่เราตอนที่สองเรากลายเป็นขวดน้ําซะแล้ว เออวันนี้จบเท่านี้ก่อนครูบรญยายปวดหัวแล้วค่อยคุยใหม่สาธุครับวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อในการอธิบายครับสาธุนนะเออพูดทำๆแบบนี้คนก็จะชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นแต่ว่าผู้มีปัญญาเนี่ยจริงๆอ่ะไม่เยอะหรอกอย่างที่เล่ามาเนาะยี่ห้าคนนะก็เหลืออยู่คนเดียวที่จะเออเข้าใจได้นอกนั้นเนี่ยล้มพับไปหมดแล้วงงไกตาแตกนะ พวกเราก็เหมือนกันเนี่ยบางทีเข้าห้องเนาะบางคนก็เข้าใจแล้วคนที่เข้าใจก็เบาหิวเพราะไม่ได้ช่องใช้สมองคิดนี่มันก็เห็นไปเลยส่วนคนที่ตามไม่ทันเนาะคิดจนปวดหัวโอ้ไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วพูดอะไรมึนหมดแล้วก็เลิกไปก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องของสติปัญญานะอ่ามันเป็นเรื่องของสติปัญญาคือฟังเข้าใจแล้วเห็นตามอย่าเงี้ยอ่อเดี๋ยวหลวงพ่อจะชี้ให้เห็นอีกเรื่องของรู้เนี่ยนะสําคัญมากเลย้รู้เนี่ย ว่ารู้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าก่อนนี้ก็ได้ยกตัวอย่างประกอบก็คือให้รู้ภายนอกบ้างรู้ภายในบ้างนะแล้วก็จะเข้าใจเองว่าอ๋อมันมีรู้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ภายนอกแล้วก็ไม่ใช่อยู่ภายในเพราะมันทำหน้าที่รู้ไงเป็นคุณสมบัติเฉพาะทีนี้หลวงพ่อจะพูดถึงอาการที่เกิดขึ้นในจิตในใจบ้างเนาะนะคือการที่จะ หลวงพ่อสังเกตอย่างนี้นะว่าการที่จะทําให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติรู้เนี่ยหลวงพ่อจับทางได้เลยคืออย่างน้อยอย่างน้อยสุดจะต้องรู้สิ่งสองสิ่งแล้วถึงจะรู้จักอีกสิ่งหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างแบบที่พอเข้าใจง่ายก็คือรู้จักสิ่งสองสิ่งใช่ไหมก็คือภายนอกกายภายนอกก็ได้อันนี้ก็สิ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเราอก็เรียกว่าภายในนี่หลวงพ่อพูดแบบเพื่อให้มันเข้าใจง่ายไงเนาะ ก็ตัวเราก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเห็นไหมสองสิ่งและภายนอกก็สิ่งหนึ่งภายในก็สิ่งหนึ่งอ่าแล้วทีนี้ถ้ารู้ถ้ามีการรับรู้มีการรู้ว่าอ๋อมีภายนอกและภายในตรงเนี้ยมันจะเข้าใจเรื่องสภาพธรรมะที่ทำหน้าที่รู้ได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะรู้เนี่ยมันจะรู้ได้ไงว่าอันนั้น่ะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน เนี่ยแค่เนี้ยก็จะทาให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่ารู้จักนะรู้จักสภาพธรรมะที่ทาหน้าที่รู้แต่ถึงแม้ว่ารู้จักแล้วเนี่ยถ้ามันมีเครื่องหมายนะมีสั ญ, ญลักษณ์ว่าธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเป็นเป็นความว่างหรือเป็นสีเป็นแสงนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งถูกรู้นะ่ะหมายความว่าถ้าไปเห็นว่า ไอธรรมชาติที่รู้ภายนอกเลยรู้ภายในเนี่ยมันมีลักษณะรูปพันสันฐานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสภาพธรรมะที่รู้เพราะเหตุว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วอ่าทีนี้ถ้าโยมไล่ต้อนอย่างเนี้ยมจะเข้าใจอีกระดับหนึ่งว่าโอ้ไอธรรมชาติรู้นี่เนาะมันไม่อาจจะถูกรู้ได้เพราะถ้ามันถูกรู้ได้มันก็เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยยมจับจุดตรงนี้ให้ไดี อ่ะแะตอนนี้หลวงพ่อพูดเรื่องเรื่องสิ่งที่อยู่ภายนอกกับภายในแล้วก็ให้รู้จักธรรมชาติรู้ทีนี้ให้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าในจิตอ่านะสมมติว่าในจิตเราเนี่ยนะมันมีความรู้สึกความสุขสบายถูกใจอะ่ะก็เรียกว่าเป็นความอิ่มเอิบใจเป็นความสุขเป็นอารมณ์ที่แบบก็เรียกว่าลุกเป็นความสุขนะที่ยมเข้าใจนั่นแหละอ่าแล้วมีอ่ามีความสุขเนาะ ทีนี้พอทีหลังเนี่ยขณะที่มีความสุขเนี่ยมันก็มีมีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งพูดได้พูดได้ในใจนั่นแหละเช่น <visibility. S 1> มันพูดว่าอะไรมันบอกว่าโอยดีจังเลยวันเนี้ยวันเนี้ยแบลนี้นนนนนน ayı, us, เรามีความสุขมากเราไม่เครียดเลยเรามีความสุขมากเราไม่เครียดเลยเราอยากจะได้อารมณ์แบบเนี้ยให้มันถาวรตรงเนี้หลวงพ่อต้องการเชี้ให้เห็นสิ่งสองสิ่งก็คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความสุข สิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดซึ่งอันนี้เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นตอนนี้เห็นไหมรู้จักสองสิ่งแล้วคือความสุขกับความคิดทีนี้หลวงพ่อก็กาลังบอกบอกทางบอกเขาเรียกว่าบอกทางเพื่อให้เกิดปัญญาให้ให้เข้าใจนะบอกยังไงก็บอกว่าอะไรล่ะมารู้ว่ามันมีความสุขแล้วอะไรล่ะมารู้ว่าที่มันเป็นความคิดเห็นไมล่ะ ก็จะมีสภาพธรรมะรู้อยู่ดีก็คือรู้ว่าอ๋ออันนั้นเป็นความสุขอันนี้เป็นความคิดความสุขและความคิดเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างกันก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันอ่าทีนี้อะไรมารู้ล่ะนี่ถ้าพูดให้เป็นเข้าใจก็คือสภาพธรรมะที่ทาหน้าที่รู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ทาหน้าที่รู้เนี่ยไม่ได้มีความสุขด้วยเพราะเป็นสภาพธรรมะแต่และอย่างแล้ว ธรรมะเอสาภาพธรรมะที่รู้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้พูดไม่ได้เป็นผู้บน่นไม่ได้เป็นผู้ภาคนะเพราะไอ้ตัวพูดตัวคิดตัวภาคเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งนะแล้วถามว่าความสุขเกิดขึ้นที่ไหนตามที่ยตตัวอย่างเนาะ <S <S เขาเรียกว่าเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นในจิตอาแล้วก็การพูดการภาคการบน่นมันเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ต้องบอกว่ามันก็เกิดขึ้นในจิต อันเนี้ยเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นในท้องฟ้าหรือเกิดขึ้นนอกตัวเราเนาะภาษาที่เราใช้เรียกสมมติกันก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดที่จิตมันเกิดในจิตแล้วถามว่าถ้างั้นแล้วจิตมันเป็นยังไงอะ่ะไอ้จิตที่ว่ามันเป็นที่เกิดของสองสิ่งนี้มันเป็นยังไงทุกคนไม่เคยเฉลียวใจเลยว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าได้แต่พูดว่ามันเกิดในจิตในจิตแต่ไม่เคยรู้จักจิตอย่างที่พูดนะทีนี้ ถ้าจิตตรงนี้ถ้าหมายความว่าจิตนะสมมติเราจะเข้าใจให้ตรงกันเนี่ยสมมติว่าจิตอันนี้เป็นสภาพความว่างคือเป็นความคือมันไม่ใช่ความสุขและไม่ใช่สิ่งที่มันพูดได้นะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือเป็นสิ่งที่เกิดของความสุขและเป็นสิ่งที่เกิดของความคิดแปลว่าอะไรถ้าให้เข้าใจง่ายเนาะแปลว่าความสุขก็ดีความคิดก็ดีเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับ แล้วมันเกิดตรงไหนอ่ะมันเกิดตรงที่มันเกิดเอ้ยมันดับตรงไหนมันดับตรงที่มันเกิดตรงนี้ยงเข้าใจไหมความคิดก็เหมือนกันมันเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงที่มันเอ๊ะความคิดอ่ะมันเวลามันเกิดแล้วเวลามันดับมันดับที่ตรงไหนมันก็ดับที่เดียวกันกับที่มันเกิดนะแล้วที่เดียวกันตรงนั้นอ่ะมันคืออะไรอ่ะที่เดียวกันตรงนั้นก็คือเป็นที่ที่มันไม่ปรากฏอะไรเป็นที่ไม่ปรากฏอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่ปรากฏความคิด ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏนะแต่ทั้งสองสิ่งเนี้ยมันปรากฏบนสิ่งที่ไม่ปรากฏไอ้สิ่งที่ไม่ปรากฏอันเนี้หลวงพ่อสมมติชื่อว่าจิตนะสมมติชื่อว่าจิตอ่าทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เทียบเคียงไปอีกว่าเอา้าแล้วความเวลามันโกรธละ่ะมันเกิดที่ไหนอ่ะมันก็เกิดที่จิตนั่นแหละอ่าเพราะฉะนั้นนะจิตเป็นที่ที่เกิดของความโกรธ แล้วความโกรธเมื่อเกิดแล้วเวลามันดับมันดับที่ไหนมันก็ดับที่มันเกิดนั่นแหละก็ที่ตรงนั้นก็คือเขาเรียกว่าจิตอ่าทีนี้ยกตัวอย่างอื่นๆื่ อ, อีกอะความหงุดหงิดลําความเออความวิตกกังวลความโลภความโกรธความอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะทุกอย่างมันก็เกิดที่จิตอ่าทีนี้พอรู้จักจิตแล้วคือจิตคือเป็นเป็นที่ที่ให้พวกเหล่านั้นมันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจ อ, อย่างเนี้ย สมมติให้ตรงให้เข้าใจตรงกันก็คือว่าจิตเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าเป็นความที่ไม่ปรากฏเพราะสิ่งใดปรากฏในจิตสิ่งนั้นเป็นต้องดับในจิตแล้วสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดอ่าหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยย่อมไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นที่ที่เกิดจิตเป็นเป็นความไม่ปรากฏแต่มันมีนะถ้าไม่มีแล้วพวกนั้นมันจะเกิดมาจากไหน आ? อ่ะอ่ามันก็เกิดมาจากที่จิตเกิดมาจากความว่างเกิดตรงนั้นแล้วก็ดับตรงนั้น ตรงนี้หลวงพ่อเขจะแบ่งภาคให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนะแต่สิ่งไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ต้องดับนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยหลวงพ่อก็มองเห็นและตามที่สมมติกันนะว่าสิ่งนั้นเรียกว่าจิตนะก็ไกลอันเนี้ยจิตเป็นความไม่เกิดเพราะถ้าเกิดอันนั้นก็ไม่ใช่จิตนะทีนี้โยมลองมองนะว่าธรรมชาติอันนี้มันมีจริงหรือเปล่าล่ะก็มีสิถ้าไม่มีแล้วจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับ เพราะนั้นสิ่งเกิดสิ่งดับมันจะต้องเกิดดับบนสิ่งที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับอพอเห็นชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงเนี้โยมลองดูทีแล้วอะไรอะมารู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับแล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดมันไม่ดับด้วยแต่มันรับรู้ได้ว่ามีการเกิดดับสภาพธรรมะที่รับรู้ได้เนี่ยอันเนี้ยจะเรียกว่าอะไรละมันอยู่ที่สมมติชื่อ แต่สภาพธรรมะที่รู้การเกิดการดับของอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในจิตนะ่ะก็มันมีจริงๆสภาพรู้ก็มีอยู่จริงแต่สภาพรู้เป็นความไม่ไมปรากฏเป็นความไม่เกิดเหมือนกันเพราะถ้าเกิดมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ปรากฏเพราะนั้นสภาพธรรมะที่รู้เนี่ยมันจึงไม่มีลักษณะของการเกิดและของการดับแต่ก็มีอยู่ในจิต เออจริงๆอ่ะถ้าให้เข้าใจตรงกันนะเพื่อสมมุตินี่แหละทุกอย่างมันต้องอาศัยสมมตุติถ้าไม่ถ้าไม่เอาอาศัยสมมุติเนี่ยมันแยกแยกเขาเรียกว่าแยกสภาวะให้เห็นไม่ได้จิตเป็นความที่ว่างเปล่าไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ดับแล้วธรรมชาติรู้เนี่ยนะมันก็ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ดับเหมือนกันแต่จริงๆอ่ะถ้าจะให้โยงเพื่อให้เข้าใจได้ว่าจิตกับรู้เนี่ยมัน มันคืออะไรเพราะจิตอ่จิตก็เป็นความว่างใช่ไหมเป็นความไม่ปรากฏแล้วธรรมชาติรู้ก็เป็นความว่างเป็นความไม่ปรากฏเหมือนกันนะในเมื่อจิตอันนั้นก็เป็นความว่างแล้วความรู้เนี่ยมันก็เป็นความว่างแต่ความจริงอ่ะความจริงแล้วเนี่ยเพราะมันต่างก็เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏก็เลยมาโยงเป็นสมมติเป็นเรื่องเดียวกันก็คือจิตก็คือรู้นั่นเอง เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในจิตเขาเรียกว่าจิตก็รู้อะไรเกิดขึ้นอะไรดับขึ้นในจิตจิตก็รู้แต่จิตไม่เกิดไม่ดับจึงได้แต่รู้เนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจเลยว่าโอ้ที่เขาบอกว่าจิตว่างจิตว่างจิตรู้นี่นะโอ้คืออย่างนี้เองเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับเป็นความไม่ปรากฏแต่สิ่งเกิดดับเนี่ยปรากฏอยู่ในความไม่ปรากฏนี่แหละ เมื่อเข้าใจอย่างเนี้เราก็จะพบว่าที่เขาบอกว่าจะสุขจะทุกข์อะไรก็อยู่ที่จิตนระกสวรรค์ก็อยู่ที่จิตก็ใช่ไงสิเพราะสิ่งพวกนั้นเป็นความปรากฏขึ้นปรากฏจากที่ไหนปรากฏในจิตแต่จิตจะเป็นความไม่ปรากฏซึ่งมันก็อยู่ที่เดียวกันแล้วก็ลองค้นดูเดี๋ยวว่าจิตอยู่ไหนมันหาไม่เจอความรู้อยู่อยู่ที่ไหนยังไงมันก็หาไม่เจอเพราะจิตกับรู้คือสิ่งเดียวกันอ่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตรู้รู้แ ท, แท้รู้จริงๆ เขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมแท้เป็นอมตะเพราะที่อมตะก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนเออเพราะมันไม่ปรากฏเมื่อมันไม่ปรากฏมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นไม่ได้นะเมื่อมันไม่ปรากฏเท่ากับมันไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ดับอันนี้แหละจึงเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมนะอันเนี้ยหลวงพ่อก็ชี้ลึกเข้ามาในจิตแล้วตอนเนี้ย แต่ทีนี้ถ้ารมเข้าใจอย่างนี้เอาภาคปฏิบัติทํำยังไงอ่ะที่เขาบอกว่าให้รู้ซื่อไงอะไรเกิดขึ้นในจิตก็สักแต่รู้อะไรเป็นผู้สักแต่รู้มันไม่มีผู้สักแต่รู้หรอกแต่จิตนั่นแหละเป็นสักแต่รู้เสียเองนะแล้วก็สิ่งเกิดดับมันก็สักแต่เกิดดับของมันอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ชัติเพราะเป็นลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วก็ดับไปส่วนจิตที่มีความรู้ มันก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรนะไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เป็นอะไรทั้งหมดถ้าเป็นทุกข์เป็นสุขมันก็ไม่ใช่จิตใช่ไหมถ้าเป็นโกรธเป็นเกลียดก็ไม่ใช่จิตอคําว่าจิตในนี้หมายถึงจิตเดิมแท้จิตแท้แท้นะไม่ใช่จิตสังขารไม่ใช่จิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเนี่ยอะไรกระทบกันในจิตในใจใช่ไหมเออมันก็เกิดการรับรู้ขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปถ้ากับว่าวิญญาณมีการเกิดการดับแต่จิตอันนี้ยมันเป็นความ พ้นไปจากความเกิดความดับแต่หลวงพ่อสมมติชื่อแค่นั้นเองว่าเรียกว่าจิตจะสมมติเรียกว่าใจก็ได้นะหรือว่าจะสมริษฐสมมติว่าเป็นพุทธะก็ได้จะสมมติว่าจิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมได้หมดเพราะว่าลักษณะมันคล้ายๆกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นชื่อที่ระบุมาเนี่ยเป็นแค่สมมติเพื่อแยกแยะให้ออกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ไม่ใช่จิตถ้าไม่เอาคําสมมติมาใช้ไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่ถ้าพอสมมติเอามาใช้แล้วมีสภาวะรองรับจริงๆเนี่ยเออมันก็จะได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นการจัดสุขจะทุกการพ้นทุกเนี่ยมันอยู่ที่จิตไงเออเนี่ยนะโยมเนาะถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยแจ่มแจ้งอนะโยมไม่ต้องไปหาจิตที่ไหนหรอกไม่ต้องหาพุทธะที่ไหนไม่ต้องหานิพพานที่ไหนจิตนั่นแหละคือไม่มีทุกไม่มีสุขแล้วเมื่อไม่มีทุกไม่มีสุขจิตเนี่ยเ อ, อจะเรียกว่าแต่นิพพานเนะอย่าไปพูดดีกว่าเพราะว่า พูดไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็มโนเอาเนาะเพราะว่านิพพานเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายไม่มีสัญลักษณ์หรอกเอาให้เป็นพอเข้าใจได้ว่านิพพานคือความไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเป็นความไม่ปรากฏของทุกข์ของสุขไม่ปรากฏของกิเลสตัณหาไม่ปรากฏอะไรหมดเลยอ่ามันก็เหมือนกับจิตนั่นแหละจิตก็เป็นความไม่ปรากฏแต่จิตเนี่ยมันมีความรู้นะมันมีความรู้แต่นิพพานไม่มีความรู้จิตเนี่ยรู้อะไรได้รู้ฝ่ายโลกียะก็คือฝ่ายเกิดดับก็ได้ จิตอ่ะรู้นิพพานก็รู้ได้เออเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละคือมันอะไรเขาเรียกว่ามันต่างกับนิพพานเพราะนั้นจิตก็จึงไม่ใช่นิพพานแต่คุณสมบัติของจิตนี้ก็คือเหมือนกับนิพพานเลยต่างกันนิดเดียวคือมีความรู้ อ, อ่าถ้าเราเคยอ่านตำราก็บอกว่านิพพานรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมเออจิตเนี่ยมันรู้อารมณ์ได้มันรู้อะไรได้มันจึงต่างกันแต่คุณนักษณะอย่างอื่นก็คือความพ้นทุกข์ความไม่เป็นทุกข์ก็คืออันเดียวกัน อันนี้คือชี้บอกให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องเข้าใจอย่างเนี้แต่การที่จะเข้าใจด้วยตนเองอ่ะมันยากแสนยากมันยากมากเออจนกว่าเนี่ยได้ยินก็คือกา ร, ระยะาณมิตรมาบอกนำเข้าไปสังเกตไปเรียนรู้แล้วก็จะเข้าใจเองก็เรียกว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองนะแต่ทั้งหมดทั้งทั้ ง, ท, งทั้งนี้ต้องตบท้ายด้วยว่าสิ่งที่เกิดดับในจิตก็เป็นแค่สภาพธรรมะ สภาพธรรมะนะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราแล้วก็จิตนะที่ไม่ปรากฏตัวมีความรู้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งมีคุณสมบัติอย่างเนี้ยอย่างที่มันเป็นนะเราจะไปสร้างจะไปทําให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมันมีอยู่แล้วมันเป็นดั้งเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะรู้เห็นก็เลยต้องอาศัยคําสั่งสอนของระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือไปพบสิ่งนี้แหละ ไปพบจิตนี่แหละจิตว่างนี่แหละแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อมันสิ้นความปรุงแต่งแล้วก็บอกวิธีให้พวกเรามาปฏิบัติโดยทางสายเอกสายเดียวก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละก็จนเกิดการเข้าใจนะรวมแล้วนะไม่เราไม่มีในในสิ่งที่เกิดดับในจิตแล้วก็จิตเองก็ไม่มีเราเราไม่มีในจิตสุดท้ายเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือเราไม่มีถูกต้องแล้วมีแต่สองสิ่งสิ่งนี้ ก็เรียกว่าเป็นความปรุงแต่งกับความไม่ปรุงแต่งนะก็กรพูดมากักทีนี้อะ่ะสอบถามคุยกันสงสัยตรงไหนยังไงอ่าอีกต่อเนาะอีกอีกต่ออีกหน่อยหนึ่งหลวงพ่อก็คือบางทีโยมไม่ถามเนาะหลวงพ่อก็ตั้งโจทย์หรือว่าตั้งเป็นปัญหาให้ฟังเองเผื่ออาจจะตรงกับใคร สมมว่าเมื่อได้ยินได้ฟังที่อธิบายเรื่องจิตเมื่อกี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยฟังเข้าใจแล้วเห็นตามแล้วในปัจจุบันนี้รู้สึกเข้าใจเห็นตามแบบโอ้ชัดมากแล้วก็ดำริในใจขึ้นมาว่าเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะไปทำความเพียรเพื่อให้รู้แจ้งตามที่เข้าใจแบบเนี้ยยมลองสังเกตนะในประโยคที่หลวงพ่อยกตัวอย่าง มันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในใจนะแต่ด้วยความหลงด้วยความรู้ไม่ทันนะความคิดเนี่ยความดำริเนี่ยความคิดเนี่ยก็คือสังขารที่เกิดขึ้นในจิตแต่พอรู้ไม่ทันที่บอกว่าเราจะไปทําความเพียรเนี่ยตอนเนี้ยไปยึดหลงสังขารไปห ล, หลงยึดความคิดมาเป็นเราแล้วเหมือนกับมีเราจริงๆเลยอะมีเราจริงๆแล้วเราจะต้องไปทํา แต่ความจริงอ่ะมันไม่ได้มีเราจริงๆหรอกมันมีแค่ความคิดแต่เพียงแต่ว่าไม่เห็นเท่านั้นแหละทีนี้ถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันว่ามันคิดแบบนี้แล้วก็ที่เคยขณะที่คิดมันหลงว่าเป็นตัวเราคิดใช่ไหมตัวเราผู้คิดก็คือมีตัวเราแล้วก็ตัวเราจะไปทำความเพียรตรงนี้หลวงพ่อจะบอกว่าถ้าหลงอยู่แล้วก็เอาตัวเราไปทาความเพียรน่นะอย่างนี้เขาเรียกว่า เอาตัวเราไปทำนะหลวงพ่อตั้งหัวข้อเรื่องวันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ให้รู้ตัวเราผู้ที่จะไปทำอะไรก็แปลว่าไม่ต้องไปทำอะไรแต่ให้รู้เท่าทันไอตัวเราเนี่ยที่มันคิดจะไปทำอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวในปัจจุบันเมื่อรู้ตัวอย่างชัดเขาเรียกว่ารู้ตัวอย่างชัดเจนในขณะปัจจุบันนั่นแหละเนี่ยคือ จบแล้วทาไมจบก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นว่าเมื่อกี้ที่พูดไปมันแค่เป็นแค่สังขารปูุกเกิดดับในจิตมันไม่ใช่เราที่แท้จริงเมื่อรู้เรารู้ว่าเราไม่ใช่มีเราเราไม่เป็นเราจึงไม่ต้องมีเราต้องไปทำอะไรอีกเพราะมันจบตรงนี้แล้วแต่ทีนี้หลังจากขณะจิตเนี้ย มันต้องไปโน่นไปนี่หรือเข้าห้องน้ําอะไรกันแล้วแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เราทําแต่มันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งเขาเรียกว่าเป็นกัลยานะก็ปรากฏว่าตรงเนี้ยคือหลวงพ่อต้องการสื่อให้คมชัดลึกก็คือว่าถ้าปั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยที่มันเนิ่นช้าเพราะอะไรคือสติไม่เกิดพอไม่เกิดมันก็หลงใช่หไหมหลงยึดแล้วก็หลงไปทําเนิ่นช้า เกินเจ็ดปีกี่ปีก็ไม่ถึงที่สุดเพราะว่ามันไม่เป็นสติไงมันเป็นความหลงแต่ถ้ามีสตินะมันไม่ใช่เจ็ชาติไม่ใช่เจดปีหรอกขณะปัจจุบันตรงนั้นแหละมันถึงที่สุดแห่งทุกไปแล้วพ้นจากโทมนัทสมมนัทพ้นหมดเลยถึงเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดแล้วจบในขณะจิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่หลงการหลพ่อยกตัวอย่างแล้วชี้บอกแบบเนี้ย มันเป็นแผนที่ก็หมายความว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยต่อไปเวลามันเกิดความหลงขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะกร ะ, กระตุกอ่ามันเป็นข้อมูลในทางปัญญาก็จะทำให้กระตุกลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้อาจารย์บอกอย่างนี้นี่โอ้รู้ทันพอรู้ทันเสร็จแล้วตัวเราก็ไม่มีแล้วผู้ที่จะต้องไปทาอะไรก็ไม่มีเพราะตัวเราไม่มี จึงมีแต่สังขารคือร่างกายจิตใจที่มันปรุงแต่งโดยปกติตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นเองแล้วก็สิ่งที่หลวงพ่อไม่ยกตัวอย่างก็มีมากมายนะบางทีถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมันไม่มีปัญญาเบื้องต้นไงก็ทำให้ระลึกไม่ได้เพราะนั้นการที่เราได้ฟังบ่อยๆได้ฟังเรื่องสภาวธรรมแบบนี้มันก็จะทาให้เขาเรียกว่ามัน เป็นปัญญาไงแล้วก็ทําให้เกิดการระลึกได้ก็เรียกว่ามีสติมีปัญญารู้เท่าทันหลวงพ่อจึงเหมือนกับว่าอยากจะเชิญให้โยมนี่แหละคือฟังธรรมในขั้นปฏิบัติขั้นเขาเรียกว่าสนทนากันเรื่องของสติปัฏฐานมีการยกตัวอย่างฟังมากๆฟังบ่อยๆแล้วมันก็เป็นก็เรียกว่ามันเป็นข้อมูลนะเป็นพื้นฐานทำให้ระลึกรู้ได้เร็วจริงๆคือที่พูดแบบนี้ก็เราต้องพูดจากประสบการณ์ เพราะว่าเห็นตัวเองเนี่ยว่าการปฏิบัติธรรมที่ไม่เนิ่นช้าเนี่ยหลวงพ่อได้ยินได้ฟังในเรื่องของลักษณะการชี้บอกแบบเนี้แล้วพอเขาชี้บอกปั๊บเห็นตามได้แล้วรู้ได้แล้วต่อมาเมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นปั๊บเนี่ยข้อมูลที่เคยได้ยินได้ฟังมันจะผุดขึ้นมาเลยมันจะผุดขึ้นมาในหัวจะผุดขึ้นมาในจิตเลยเป็นตัวช่วยจะบอกว่าอืมอืมอืมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสุตตะมยปัญญาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญ แต่เท่าฟังอย่างเดียวมันก็ไม่พออีกต้องพิจารณาใช่ไหมจินตามมายปัญญาอะไรเนี้ยก็ประกอบกันแต่อย่างน้อยเนี่ยทุกทั้งสาอย่างนี่แหละเป็นส่วนประกอบหมดคือปัญญา3ามเป็นเกลือกันเป็นเกลียวกันไปด้วยกันก็นะก็เล่าเป็นประสบการณ์อ่ะเชิต่อ